สำหรับวันนี้ก็จะมาเมืองเอาสสงโยสิตหาพู้ธรรดาญาติโยมพุตบริษัทฟักจะได้รู้ว่าเวลานี้จิตใจมุดาญาติโยมพุตุบริษัทอยู่ในขั้นไหนสังโยสิตีมีเรื่องดอกว่าถาตัดได้เท่านี้เป็นระโสดาบันตัดได้เท่านี้เป็นนติทาคามี ตัดได้เท่านี้เป็นว่านาคามีตัดได้อย่างนี้เป็นบ้าหลาน <c oughs> ทุกคนไม่ได้เรี่ยลมไม่สือกเามันมีการหลงผิดแต่ว่าก่อนจะฟังสัญญาอันดับแรกก็ขอฝึกการทรงสติสมยยิชัญญาก่อนคำว่าสติแปลการนึกสมิธัญญาแปลการรู้ตัว <c oughs> ก็ได้แขกการฝึกลมหายใจเข้าออกอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เขาทุกคนอย่าลืต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญฝึกกายกําหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ารู้อยู่หายใจเข้าหายใจออกรู้อยู่หายใจออกหายใจเขา้ายาวหรืสั้นหายใจออกยาวหรืสั้นก็รู้อยู่อย่างนี้เรียกว่ทรงสมาธิอนา น, อน า, าในอนาภาลัตุตติ <c oughs> ถ้าเรต่อไปใช้ธรมนาตามที่ชอบใจเ็การฝึกเบื้องต้นต่อไปก็ขอทุกคนใช้ปัญญาความจริ้ในปัญญาต้องใช้แต่เบื้องต้นคนวเจริญกรรมฐานทั้งหมดเมื่อคนไม่รู้จักให้ทานคนนิ้จ์ก็แสวงสินคนนิจจ์เจริญภาวนาทุกคนไม่เป็นคนมีปัญญาแล้ว <c oughs> ไม่ใช่ไม่มีปัญญา แปลว่าการใช้ปัญญาจะแทนถึงะระดับไหนนีเรื่องเด่นทางฮัตนี่ต่อนี้ไปก็มาว่ากันถึงสัญโยชิทธิ์คำว่าสัญโยต์แปลว่ากิเลสเป็นเรื่องร้อยรักสัญโยชสิทธิยกวลาไม่ร้อยรักให้พวกเราต้องเวียนไหตายเกิดในวัตตะก็าว่าเราไม่ต้องการเวียนไหตายเกิดในวัตตะก็มุต้องพยายามตัสดสัญโยชสัตย์ให้พ้นสัญโยชิทธิให้พ้นไป แส้นยอดที่เพิ่งตัดก่อนเริ่มต้นก็มีสามข้อหนึ่งส ก, กายตทิตฐิสองวิจิกิจจาสาธิรปตะประาปรมาติสำหรับส ก, กายติตฐิในขั้นต้นส ก, กายาติฏฐินี้ต้องจัดเป็นสามชั้นชั้นคำว่าโสนากับิธาคาชั้นหนึ่งชั้นคำว่านาคาในชั้นหนึ่ง ใช่แว่ารหันนิช่ำหนึ่งใช้ผิดถ้าใช้ผิดจะมีความลำบากผลจะไม่เกิดความอตัดใจจะแรากดระดับแรกที่สุดแล้วก็จับระดับของพระโสดาเกลิงาคามีก่อนเพราะว่าพระโสดาคับาคามีนตับสัญญได้เท่ากันเหมือนไก่คือสกายติจิวิจิกิจชาศิลมตะประมาต เราได้ว่าอารมณ์ของพระอธาคามีละเอียดกว่ามีความมิ่นโนนกว่ามีความบรรเทาในความรักบรรเทาในความโลภบรรเทาในความโกรธบรรเทาในความหลงทึกอย่างยังมีอยู่แต่มีลมบาบางเนื่อต่อมาก็ไปยออนนิสกากยติถิเบื้องต้นสำหรับปโสดาบันก็ดีพภาษีทาคามีก็ดี ถ้าพระพุทธเจ้าทูลกล่าวว่ามีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยจะมีสินบริสุทธิ์เพราะทุกอย่างยังอยู <c ups cuál anka> ่ในสภาพของชาวบ้านยามเดิมหมดและคนไม่เคยมีสามีปัญญาก็มีสามีปัญญาได้คนมีสามีปัญญาแล้วก็ไม่ต่อเลยกันแต่ว่าทุกอย่างยังสกปรกแค่สินห้าเสื้อหรับ สรวนโสดาบาันสิกขาคารมีก็มีความรู้สึกว่าชีวิตมีต้องตายเพื่อว่าไม่ลืมความตายแต่ก็ไม่ระมาดในชีวิตมันมีพึ่ว่าชีวิตต้องตายก็หาความดีเข้าสลองตัวเป็นการช่วยตัวเอง <c oughs> ได้แก่ยึดนึกนึกยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าว่วาธรรมพระอริยสงฆ์ปฏิึ้น เรียกล่าวว่าพุทธังสนังกชามิพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนชั่มังสนังกชามิขอถึงว่าธรรมเป็นที่พึ่อนแสงทางสนังกชามิขอถึงประสงค์เปี่พื่อนคำว่าเป็นที่พึ่งก็หมายถึงว่ายอมรับนักถือด้วยความจริงใจอันนี้ก็ไม่ยากต่อไปว่าศีลปตปกพราบาท สิริบุตรตามระมาสแล้วไม่รบคลัในศีลนั่นก็หายความว่าสาสินมั่นคงสิ่งแรกก็ว่าโสดาบัญญัคือสิ่งห้าถ้าสิ่ต่อไปพระหน้ามะโสดาเป็นความประโสดาบันญัติเอกที่ ร, รักษากรรมบุตรสิ่งห้ามีอะไรบ้างหนึ่งไม่ข่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สไม่รุกดพฤติกาม สีไม่สูงสาวาดห้าไม่เด็มโุรามีไรถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ทรรมระดีว่าปรโสดาบันหนึ่งมนึกไม่ลืมความตาย2ยอมนับนับทีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสุขแลสามมีสินห้าบริสุทธิ์อย่างนี้จะเรียกว่าปโสดาบันขั้นสตากับตรง <c oughs> คำว่าส ต, ติกตุ้งก really, ็ไมายความ่ายังมีระมัยบางีย่อ่อนถ้าคนเป็นโซดาปัญข <Pac> ั <diet> ้นนี้บาปไม่สามารถให้เพื่อบาปทุกอย่างที่ทำได้ในชาตินี้ห็ดีชาติก่อนก็ดีไม่มีโอกาสเดินเราลงอบหญภูพรได้เราจะไม่เกิดเป็นสัตว์นรกไม่เกิดเป็นเฟรตไม่เกิดเป็นสุรกายไม้เกิดฉถ้ายังมีการเกิดก็เกิดแค่มนุษย์เทวดาได้ครับผม เดียวเดียวจริงอย่างนี้เลยว่าถ้าเกิดมนุษย์กัมนุษย์เจ็ชาติเทวาดาระอปมเจ็ดชาติก็บริพานตามหลักโสูแต่ว่าถ้าหากว่าจิตละเอียดยิ่งขึ้นเห็นว่าชินห้าจะมีอาการหยาบ <c oughs> ถ้ารักษากรรมสิทธิ์จะดีกว่านี้จิตละเอียดมากขึ้นจิตดีขึ้นก็พยายามขยับจิตขึ้นมารักษากรรมสิทธิ์เรื่องกันมาเองนะพอใจเอง กรรมบทสิบเมบ้างคือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์กิจการมเหมือนสินห้าตางกายทางวาจาศินห้ามี1น ท, ท่งแกรรมบทสิบมีสี่ไม่พูดปดสองไม่พูดส่อเสียดจะยุโยงส่งเสริมก็แตกเ้าวกันเสไม่พูดคำหยาบสี 4, ไม่ใช่วาจาเพื่อเจือหรือไหลในกรรมบทสิบมีทางใจอีก ทางใจมีสามเครื่งหนึ่งไม่อยากได้ทรัพย์ ส, สมบัติของใครโดยไม่ชอบทำมันไหว้ความไม่อยากลักไม่อยากขมโมยไม่อยากล้นไม่อยากยี้ยั่งไม่อยากคุยกงครยทั้งสิ้นทรัพย์ของเขาก็ไป็นทรัพย์ของเขาทรัพย์ของเราก็เป็นทรัพย์ของเราอันนี้ที่เยกว่าสันโดษและรายการนี้สองความโกรธยังมีอยู่ แต่ความโกรธไม่รุนแรงนักโกรธแต่ไม่คิดที่ฆ่าเข่งฆ่าใครไม่จองล้างจองฝังใครแล้ก็ที่สามสัมมาธิฏฐิมีความเห็นชอบตามคำสสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายอมรับนับถือว่าทำในในพระเจ้าเท่าที่เราจะปรงปฏิบัติได้อย่างนี้ถ้าจิตเข้าดิงอย่างนี้เรียกว่าพระโสดาวันขั้นละเอียดหรือเป็นสี่ท่าขาม พ อ, อย่ำดยก้ามหนึ่งว่าจิตธรรมโสดาบันก็คือหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายสัญญอข้อที่หนึ่งสัญญอข้อทสองไม่สงสัยในคุณครามรัตตไตรคือพระบิดาจาประธรมพระอริยสง์ยอมนับนาถีด้วยความจริงใจสัญญอข้อที่สามเสธบัตตาปรามาตย์ในโลกความจริงนักษาสิ่งเคร่งครับถาาปฏิบัติได้อย่างนี้เป็นปกติท่านเรียกว่ า, วาสโสดาบัน มีจิตละเอียดยิ่งขึ้นสามารถทรงคำบดสิบได้ละเอียดจนไม่ต้ ร, ระมัดระวังท่านเรียรกว่ากสิทธาคามีอารมณเข้า <c oughs> ถิทธาคามีจะมีความรู้สึกว่าจิตมีความนืยลงไปมากความโลภอยากได้ในลาบก็ยังอยากร่ำรวยอยู่แต่วมีความเฉ่อยชายลงนะักความโกรธยังมีอยู่แต่วความโกรธไม่รุนแรง มีความไม่พอใจเกิดขึ้นเจ้าครู่ก็หายไปความหลงไหลไปฝันไม่ร่างกายมีเรื่องการจะไม่หนักแน่นนักนี่เป็นลมเพราะสีาคามีต่อไปก็เป็นลมเพราะนาคาเมี๊ยถ้านาคามีก็ต้องกลับไปหาโยศข้อที่หนึ่งมาอีกสนับขยศข้อที่หนึ่งว่าโสดาบายสิธาคาเมี มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายที่เรีความมรณานุสติสมันฐานสําหรับตารมณ์เข้าถึงร่างนาคา ม, มีปฏิบัติเพื่อพระานาคา ม, มีต้องมีความรู้สึกว่าร่างกายของคนก็ ด, กดีเพราะใส่ก็ดีเป็นด้วยความสุขระบอกโคโรอกที่เรียกว่าสุภกรรมฐานกับกายยะตานุสติกายยะตาตุสตินิถือร่างกายด้านกายเราร่างกายคนอืน่น อาสุภนามฐานมีความรู้สึกตามความเป็นจริงของร่างกายทุกส่วนของเราเต็มด้วยความสุขประกอบเราจะเห็นว่าภายในมีจาระมีปัสสาวะมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเป็นต้นร่างกายกงคนถ้าไม่อาบน้ำไม่ขัดสีชีวิวันมันก็เต็มด้วยความสุขปรกอบมีเหื่อมีใคร โดยเฉพาะอย่างนี้ในปากของเราก็เต็มไปด้วยความสกปรกที่ทม อ, ง, องง่ายๆก็คือน้ำลายน้ำลายที่อยู่ในปากเขาสามารถจะกรีดกับเํามา ไ, มไดแ้แต่ว่าพอน้ำลายไหลามาข้างนอกเราก็แดงการลังเกียดว่าน้ำลายสกปรกเพื่ววความว่าในร่างกายของคนก็ดีร่างกายของเก็ดีเต็มด้วยความสกปร ก, กโคโครแต่ปฏิบัติจนที่สุดก็เกิดมิตรทา ย, ยาน คำว่านิพิทา ย, ยานคือความเบื่อหน่ายในร่างกายเกิดขึ้นเรียกว่ามีความรังเกียดร่างกายเกิดขึ้นอร า, ารมณ์กามารมณ์ทั้งหมดหยุดกามารมณ์ไม่เกิดแต่ลมเขบุกคนกันนั้นยังเรียกว่าอาณาคารมีมกักจะม่แช่นาะคามิระดับกามารมณได้แล้วกามาชันท่าได้ก็ต้องดับปฎิฆะดับปฎิฆะคือดับความโกรธ ด, ดับความไม่พอใจ ความโกรธความไม่พอใจที่แต่ความจริงไปจะเข้าถึงว่าจะเข้าปฏิบัติว่ า, านาคาเมียร์จิตมันเยือกเย็นมากแล้วนะก็ต้องจับก็ต้องจับโรมีฐานสี่เป็นพื้นฐานาเพราะอารมณ์ต้องตั้งอยู่ในโรมีฐานสี่เป็นปกติคําว่าปกติที่หมายถึงเต็มวันแต่เวลาฝึกใหม่ๆแล้วก็มันก็จะเต็มมันบกพร่องบางทีบ้างก็ไปขอธร ร, รมดาในการฝุด เป็นไว้แต่การส่งตัวถ้าส่งตัวเป็นมานาคาร์มีแด้แล้วมันก็ส่งตัวเองก็เป็นของทั้รรดาถ้าวันไ น, นเวลาไหนาชนะแล้วก็ควรจะดีใจเวลาไหนาแพ้ก็เปิดไปหาโอกาสชนะใหม่ต่อไปจะจะเคลื่อนเคลียบมันจะเร่งรัดค่อยๆทำค่อยไปคิดเพราะไม่อย่างนั้นสี่ก็คืนหมื่งเม่ตาความรักก็นี้ต้อใช้เหตุใช้ผล ว่าคนและสัตว์ในโลกเราควรจะรักทุกคนหรือถ้าคนที่เป็นศัตรูเราควรจะรักไปตอนนี้ถ้าคนที่สุดใหม่ๆตระัวางฉันบอกการแพ่ไม่ตายความรักอันดับแรกยงเว้นศัตรูเสียพวกคนที่เป็นศัตรูขอบเราอย่าแผ่ความรักเข้าไปถึงถ้าเขาถึงอจิามมองมองหัวจิตจะเกิน แต่เมื่อมีจิตเยีเ่ยงเย็นแล้จริงมีความรู้สึกว่ารัตรูก็ดีมิตรก็ดีทุกคนเราก็ดีเขาก็ดีรักสุขเกลียดทุกเหมือนกันหมดเรารักสุขเช่นใดเกลียดทุกเช้นใดเขารักสุขเกลียดทุกเช่นนั้นแค่สิ่งที่เราใจ น, นใ้อยเขาก็คือความสุขเราถือว่าเราเป็นมิตรีดีของโพเดะสัตว์ทั้งโลกครับ อย่างนี้ควรจะเอาชนะกาลังใจแบบนี้สักวันละสิบนาทียี่สิบทีรือเวลาและ1สิบนาทีี่ีก็พอเอาให้ชนะจริงๆต่อไปมันก็พ้วนเปลี่ยนไปตามเรื่องเขามันถึงเวลานั้นพักแล้วถือความชนะสัก10บนาทียี่สิทีคิดว่าใส่ก็ดีมนุษย์ก็ดีในโลกดีเราจะเป็นมิตรที่ดีทั้งหมดของเขาชำให้เขามีความลาบากกายลำบากใจเพราะเรา ออ ก, ออก็ไดสงถ้อยสงตืนหนาความสงสารจะมีความสงสายบุคคลและสัตว์ทั้งโลกนี้เหมือนสองสารตัวเราเองสิ่งอดได้ที่เป็นปัจจัยความทุกข์เราจะไม่ให้กับเขาอะไรที่เป็นปัจจัยขอความสุขเราจะให้กับเขาอย่างการกระทำพอดีการพูดพอดีการคิดต่ตาม สิ่งใดที่เป็นปใจใัจจัยเก่ดความทุกข์เราจะไม่ใสนองต่อกับคนและัตว์ทั้งโลกเพราะเรามีความสงสารอีกปรการหนึ่งถ้าใครในโลกนี้คนกดีใจกด็ดีถ้าเขามีทุกข์ไม่เกินวิสัยที่เราจะช่วยได้เราพร้อมใจช่วยอันนี้อยู่ในอารมณ์นะในการจะช่วยจริงแ้ไม่จริงเราส่วนแรกจะทรัพย์สินไม่กําลังทรัพย์สินไม่มีกําลังไม่มีก็ช่วยไม่ได้ แปลว่าจิตใจพร้อมมจะช่วยย่านี้เชื่อมีมุติตาโมตุตาอันก็ตัดความโกรธมาแล้วก็มีตุลนาต่อไปก็เป็นมุติตาคือมีจิดอ่อนโยนมุติตาหรจุดอ่อนโยนก็หมายความว่าไม่จิตฉาได้เสียใครใครได้ดีพลอยยินดีด้วยเนีหมายความพลอยยินดีกับความดีเขาเคนอื่นเขาได้ดีแล้วก็มีชุ่มชื่นพอยยินดีกับเขายานี้จะสบายใจ ทำใจอย่างนี้เป็นปติตัดอรารมณ์อิจฉานิสหยาจิงไปทีส่สี่ลงพรมางสี่มุ่งเบขาวางเฉยถ้าบังเองิญคนก็ดีใส่สก็ดีมีความทุกข์ยากมีความลําบ า, ากรับเข้ากํามวิณีนิเศษถ้าไม่เกินนิสัยที่เราจะช่วยเราก็ช่วยถ้าเกินนิสัยที่เราจะพึงช่วยได้เราช่วยไม่ได้แต่เราไม่ซ้าเตินเอาไว้ สำหรับเบื้งต้นนะถ้าต่อมาขั้นวิทโทรสารนี่ตัดให้ฝัดสุขการตัดโทสารตัวเบรคาก็ต้องหันเข้ามาเฉยในเรื่องการตัดโทสาอีกถ้าเจอบุคคลใดทําก็ตามพู<ๆ>้ใดตามเป็นที่ไม่พอใจของเราเราก็พยายามเฉยเพิ่มมากก็เฉยได้น้อยทนได้สองสามนาทีก็ยังดีสมไปเป็นการฝึกกํำลังใจ ค่อยๆเฉิญ อ, อย่างนี้ยังมานๆเข้าอารมณ์จิตก็ชินในที่สุดจิตก็สาว่าทรงทำมีหานสีได้เมื่อลืมตาขึ้นมาตอนเช้าจิตก็นึกถึงว่าวันนี้ทั้งวันเราจะเป็นมิตรดีของคนและสัตว์ทั้งหมดใ น, นวันนี้ทั้งวันเราจะสงเคราะห์โค้ชสัตว์โลกให้มีความสุขวันนี้ทั้งวันเราจะไม่ฉาดเสียใครจะพอยินดีกับบุคนอื่นได้ดี วันนี้ทั้งวันทับุคคลผู้ใดกล่าววาจาก็ตามเมื่อาการทางกายก็ตามเป็นที่ไม่พอใจของเราเราจะวางเฉยไมิโกรธจะไม่โต้ตอบฝึกใจอย่างนี้บ่อยๆวันหนึ่ได้มิบันได้หน่อยไม่ช้าก็าเกิดอารมณ์ชินเรือว่าได้ฌานในในพงศ์ยานสี่จิตมีความรักเป็นปกติจิตมีความสงสารเนปกติจิตอ่อนโยนเปนปกติจิตวางเฉยเนปกติ ในที่สุดก็ตัดโทสะความโกรธได้ในเมื่อตัดโทสะความโกรธได้เีไงต้องสัมผัสจริงบางครั้งบางคราวเราไปสัมผัสกับคนนี้พูดไม่ชอบใจทํำไม่ชอบใจก็ต้องเห็ว่าอาการอย่างนี้สมัยก่อนเราเคยโกรธโกรธมากแต่เวลานี้เราไม่โกรธรู้สึกเฉยๆจกไม่โกรธและบรรดา ญ, ญาโยมุตุโวยสัตมนี้คุณมาทำอย่างหนึ่งคือซ้อนเข้ามา มันคือกูณาในเมื่อเราไม่ตัวเกิดความสงสารพราะการพูดไม่ดีทำไม่ดีนนมันเป็นปัจจัยตกบายภูมิโดยเพพาะอย่างยิ่งคนปฏิปฏิบัติเพื่ออนาคามมมัค ก, กำลังบุญหลวงบุญบุคนวันนั้นสูงมากเพราะเริ่มเข้าขั้นพระอริยเจ้าขั้นสูงใครทำบุญด้วยก็มีดิสงมาก ให้ดาท่านก็บาปมากเหมือนกันเราก็ต้องนึกสงสารบุคคลน้ำจิตมันเกิดขึ้นเองว่าบุคคลคนนี้ไม่น่าจะทำตัวโลมาใบจะปลุกเลยลงถ้าสัมผัสพร้เจ้าขันธ์ก็ลงแล้วลงอย่างหนันแม่ลงสงสารมันเกิดขึ้นความโกรธก็เลไม่เกิดกลองความว่าพระอนาคามีต้องตัดสั้นยอดขึ้นไปสองเป็นห้าขึ้นหนึ่งตัดกรรมมาชันทะ ความพอใจในระหว่างเพศกิจจะหยุดความรู้สึกถ้ากิสองปฎิฆะตรมที่ไม่พอใจที่ความโกรธมากความโกรธน้อยก็าตามจะไม่เกิดขึ้นถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้เชื่อว่าเป็นพปัญหาค ร, รมสสำหรับวันนี้ก็มาเล่าหลักวิชาสู่กันฟังต่อไปก็จะาถึงปัญหาธรรมีตอนเข้าวิหารตอนเข้าถึงเขตวิหอนรนนี้ใช่าอารมณนะ์ไม่หนัก เวบรรดาญาตยมพุทธบริษัทจะหาว่าเป่นหรือว่าทำได้ไม่เจงนั้นนะตัวตามหลักสูตรตใช้ลมหนักใช้ลมหยาดอยู่ขั้นเบโสดาสิทาคานาคาเอาเข้าเขตจะเป็นพระรามนี่ใช้ลมเบาใช้ปัญญามากกว่าสมาธิอย่างอี่เพราะว่ากิเลสทั้งหมดกิเลสหนักห น, นักมันหมดไปตั้งแต่นาคามมีลงไปแล้ว เมื่อโสดาไวยสกิทาคามมก็ตัด ก, กิเลสหยาบไปทุดหนึ่งพถึงว่านาคามมก็เปิตัดต ก, กิเลสหยาบที่มีความสําคัญมากคือการมาชำระกับปริฆายได้ตอนน่อได้ไปก็แล้กิเลสเล็กน้อยจะใช้ลมไม่นานพอถึงเข้าเขตอาราตมัตอารัตมัตก็ต้องตัดอีกห้ารูปราคะตัดความหลงไหลใฝ่ฝันในรูปปฌาน สองอรูปราคาตัดความหลงไหลฝ่ฝันในรูปประชาญและสามมานะตัดการถือตัวทือตนไม่ถือเราถือเขาสี่อุตจัตตัดอารมณ์ทุ่งซ้านที่ไม่คิดถึงผ่านทิ้งไปอารมณ์ใจคิดอย่างเดียวคือต้องการานิพพานห้าอาวิยวิชาตัดความโง่ ว่าตัดความโง่ในพระไตรปิฎกในขันยวัตท่านแจง้งบอกว่าพระวิชาแบ่งแยกไปกรรมะสองอย่างคือฉันท่กับปฏิทะตัดฉันทะคือความพอใจในเกิดนิมนต์สนโลกคืวโลกและเบิมโล ก, โลกตัดตัดราคะการมี ค, ความรูม้สึกว่ามีนิมน์โลกดีคือวโลกดีระเโลกดีไม่มีแล้วชาวต้องการจุดเดียวคือนิพพาน ถ้าเข้าใจถึงอย่างนี้ก็เป็นภาะอรหันต์ของเราโดยยอดนะเวลา 8, ที่แปดแสนเจิบนาทีก็เริ่มข้อ ข, อขอ้อสะดวกเพื่อบรรดาเพือเระโยชมบดาท่านพุทธบริษัทให้มากจริงจริงการการตักกิเลสวิธีปฏิบัติจริงๆเขาไม่ปฏิบัติการตามนี้อันนี้มันเป็นาาหลักสูตรคําไม่ดักสูดเขายัะเข้าปฏิบัติตอนไหนก็ได้เขาเข้าเ ข, ข, ข้าถึงตอนไหนก็ได้รู้ ถ้าเวลาการปฏิบัติพระมากผลจึงตั้งงานนี้สุธิมากกนบอกว่าให้ปฏิบัติตามนี้แรกให้จับรรม์โมโดาบันให้ได้อรมณ์โม โ, โดาบันก็คืนเนืองความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายที่เรียกวสกา ย, ยะทิฏฐิสองยอมรับนับถือพระพุทธเาจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์สองข้อนี้ที่นาน้าจะได้กันมากแล้ว แล้วข้อทร่สางสินห้บริสุทธิ์ในธรรมตวังในสินเจ็ดสามารถส่งการตัดสัยญาณสามวิธการได้ที่ว่าส่งอารมณ์มโนโสนดาบันตอนนี้ก็มีความสุขความสุขเพราะอะไรเพราะอบายภูมิไม่มีสระเ ต, ต่อไปมีทางเดียวที่จะเกิดก็เกิดไปโดยววดาฤพุลนั่นเป็นนั่เป็นข้อยะต่อบไปเลยหลังจากได้ารมณ์มโสนดาบันแล้วท่านแนะนาทั้งบอกว่า จากมั่นให้จับอารมณ์อรห ahkan เลยอันนคือปฏิบัติจริงๆพระทรรมนี้นะเขาเอาไปง่ายๆเร็วๆแล้วก็เด็ดผลเมื่อมีความมั่นคงในศีลพระโสดาบันก็คือศีลพระโสดาบันจริงๆระวังศีลอย่างเดียวการนึกถึงความตายทุกคนมีแล้วการยอมรับแนละถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ทุกคนมีแล้วสังโยชน์สองไม่ต้องตัดหนึ่งกับสไม่ต้องตัดมีตัดได้แล้ว ที่พยายมตัดข้อที่สามที่พยายามจะละเมิดสินตั้งใจไม่ละเมิดระบังให้มากจะเลิกขาดทะเจิดมาการตั้งใจเมื่อสามารถสงร่งอารมณ์ได้ครับท่านบอกให้จับอารมณ์ของอรหันต์เลยนี่คือจับอรหันต์ก็ไม่จะไปไล่สัญโญาต่อคอไล่สัญญาตัวสุดท้ายคือตัดกิจการ<ม>ใช้ปัญญาข้าพเจ้ญญาณาความเป็นจริง ว่ากายเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นติวดาก็ดีเป็นโภโมดีมีความสุขก็มีความทุกข์ถ้าใช้ปัญญาจริงๆแนละ้วกายเกิดเป็นมนุษย์มีแต่ความทุกข์อย่างเดียวไม่มีความสุขไอ้นี่ว่าสุขกร ม, มัไม่ได้สุขจริงความอิม่มไม่ไอิม่มตลอดวันมันมีความหิวกินอิ่มแล้วมีความสุขเถอะแตเวเดี๋ยวๆมันก็หิวใหม่วก็ทุกข์ใหม่อันนี้ไม่ได้สุขจริงมันเป็นทุกข์ความ เป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สมบายเป็นทุกข์ความทัดท่าเจ้าของนักของชอบใจเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เมนุษย์ยอย่างนี้ก็ต้องเวียนว่ายตาเกิดเป็นทุกข์ไม่รู้จักจ บ, จบถ้าเราเป็นเทวดาและพรมมีความสุขและความทุกข์ก็ทราบโดยปัญญาว่าเทวดากับพรหมนมี่มีความสุขจริงความทุกข์ก็ตั้มแตมีแต่ความสุขก็เทวดาและพรมไม่อย่างเย็นเมื่อหมดวุ่วายนาบารมีก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ ใช้ปัญญาพิณนาตไว้ว่าขึ้นชีวิตกายเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรมก็ดีดดจะไม่มีสำหรับเราต่อไปเราต้องการนิพพานอย่างเดียวหันกลับเข้ามาจับสังโนยชน์ข้อที่หนึ่งสกายติติพิจารณาว่าร่างกายนอกมันจะตายแล้วมันมีอะไรอีกนอกจากว่าปกติมันต้องตายก่อนตายมันก็เต็มด้วยความสุขโศกโศคกโรก ร่างกายทั้งกายมันเป็นเราไปพวของเราหรือเปล่ามีอะไรบ้างในร่างกายเป็นข้อเราทุกอย่า ง, าา ง, งก็ตามทุกอย่งอะไรก็ตามถ้าเป็นเราไป็นข้อเราจริงๆเราต้องบังคับมันได้ตอนนี้ร่างกายเขาเราจะแก่เราไม่ต้องการแก่บังคับไม่แก่ได้ไหมก็ตอบบังคับไม่ได้การเจ็บไข้มาสบายก็จะงคับให้มันไม่ป่วยได้ไหมเราก็บังคับไม่ได้แต่มันจะป่วย ถ้มันจะตายเราบังคับไม่า ต, าตายได้ไหมก็บังคับไม่ได้ในเมื่อบังคับไม่ได้ทีนี้ก็แสดงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราเพราะเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีเราเราคือจิตที่ซึ่งก็ผิดอยู่ใ น, นร่างกายร่างกายที่ประกอบไปด้วยขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาเัลิขนานิยายนูในนี่ใ น, นร่างกายประกอบด้วยสธาตุสี่ธาตุน้ําน้ำธาตุดินธัตดลมธาตไฟเป็นที่อาศัยั่วคราวของจิตเท่านั้น พรางกายที่พังมันก็พานจิตไม่จะตามกันด้วยถ้าจิตดีก็ไปสวรรค์ไปรวมโลกจิตชั่วไปอาภัยภูมิถ้าว่าจิตตรงนี้เราต้องจิตจิตที่เต็มด้วยความบริสุทธิ์กรุทธิงคือไม่ติดเไม่คล้องไม่ต้องก า, มก า, ก ร, ารมโนสโลกทวโลกระบิดบกเราต้องการานิพันธ์อย่างเดียวหลังจากนั่งเจ้าภาวนาวันวนี้การสุ ข, ขังให้จิตสบายเพียงถ้ามีบรรดาญาโยผู้ที่ไปสลายภายในไม่ใช่กิเลสก็จะหลายตัว ทุกบรรดาญาติโยมเพื่อประหัดหมดเวลาพอดีตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งใจสมาทานศีลสมาทานในธระมฐาน